ก็ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอินซีที่เป็นอายตนะภายในวงเล็บเปิดห้าประการวงเล็บปิดไว้เบื้องต้นเพราะเป็นที่อยู่อาศัยพิเศษแห่งการบัญญัติว่าสัตว์ส่วนมนินซีแม้ควรตรัสไว้ในอินซีที่เป็นอายตนะภายในนี้เหมือนกันโดยเป็นอินซีที่เป็นอายตนะภายในเหมือนกันในวงเล็บแตตรัสไว้ ในลำดับต่อจากชีวิตอินรีเพื่อทรงแสดงไว้รวมกับอินซีที่เป็นรูปในวงเล็บเป็นนามตรัสอินซีที่เป็นภาวรูปสองประการไว้ในลำดับต่อจากอินซีที่เป็นอายตนาภายในนั้นเพื่อทรงแสดงว่าบัญญัตินี้นั้นย่อมถึงการจาแนกได้ว่าเป็นหญิงเป็นชายด้วยอำนาจอินซีที่เป็นภาวะรูปสองประการเหล่านี้ ต่อแต่นั้นตรัสชีวิตินรีไว้เพื่อทรงแสดงว่าปุปาทินนธรรมเหล่านี้นั้นย่อมดำรงอยู่ได้ด้วยอำนาจชีวิตินรีนี้ต่อแต่นั้นตรัสอินซีที่เป็นเวทนาห้าประการไว้เพื่อแสดงว่ากองธรรมที่เข้าใจกันว่าสัตว์เป็นไปอยู่ได้ด้วยอำนาจความต่อเนื่องกันย่อมเศร้าหมองด้วยอินซีที่เป็นเวทนาในวงเล็บห้าประการเหล่านี้ ก็ต่อแต่นั้นตรัสอินทรีห้าประการมีสัจทินทรีย์เป็นต้นไว้เพื่อทรงแสดงธรรมอันเป็นเหตุผ่องแผ้วที่ควรบำเพ็ญแก่เหล่าสัตว์ผู้ต้องการความบริสุทธิ์จากอินทรีย์ที่เป็นเวทนาห้าประการเหล่านั้นในที่สุดตรัสอินทรีสามประการไว้เพื่อทรงแสดงว่าก็เหล่าสัตว์ผู้มีธรรมอันเป็นเหตุผ่องแผ้วที่ควรบำเพ็ญได้บำเพ็ญเพียบพร้อมแล้ว ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยอินทรีย์สามประการเหล่านี้เพราะเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงเป็นผู้บรรลุถึงความบริสุทธิ์แล้วและเป็นผู้เสร็จกิจแล้วด้วยการทรงแสดงอินทรีย์ธรรมเพียงเท่านี้ย่อมสําเร็จความที่ทรงประสงค์แล้วเพราะเหตุนั้นจึงไม่ทรงระบุธรรมเหล่าอื่นไว้ในวงเล็บ อ, อีก รวมความดังกล่าวมานี้คือเหตุแห่งการทรงแสดงอินทรียธรรมเหล่านั้นตามลำดับเพราะเหตุนั้นพอทีไม่ต้องพิสดารมากนะักทาเจดประการมีศรัทธาเป็นต้นชื่อว่าพละเพราะอาจว่าไม่วันไหวด้วยธรรมที่เป็นค่าศึกกล่าวคืออสัทธิยะ โกสัจฉะปะมาทะอุทธจะอวิชาอาอหิอริกะอโนตตะ ป, ปะและเพราะความมั่นคงในสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายส่วนอหิอริกะและอโนตตะ ป, ปะทั้งสองประการชื่อว่าพระเพราะมั่นคงในสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเท่านั้นธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นใหญ่กว่าสัมปยุต ธ, ธรรมที่มีความเป็นไปเนื่องกับตนชื่อว่าอธิบดี ความจริงเมื่อจิตได้การปรุงแต่งเบื้องต้นเป็นต้นว่าชื่อว่าอะไรเล่าจะไม่สาเร็จแก่ผู้มีความพอใจดังนี้เป็นที่อิงอาศัยเกิดขึ้นอยู่อธิบดีธรรมสี่มีฉันทาธิบดีเป็นต้นก็รับหน้าที่อย่างสัมปะยุตรธรรมให้สำเร็จไปเสียเองก็สัมปะยุตรธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นไปด้วยอำนาจอธิบดีธรรมสี่เหล่านั้น เหตุนั้นอธิบดีธรรมสี่เหล่านั้นจึงเป็นไปโดยความเป็นใหญ่กว่าสำปรยุติธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตนอธิบดีธรรมกับอินทรียธรรมมีความต่างกันดังนี้คือความเป็นใหญ่ด้วยอำนาจห้ามความเป็นอธิบดีแห่งธรรมที่เป็นใหญ่เหล่าอื่นชื่อว่าความเป็นอธิปฏิธรรม เพียงการทําจากกุวิญญาณในจิตเป็นต้นให้เป็นไปตามตนในทัศนกิดเป็นต้นอย่างเดียวในเมื่ออินรียธรรมเ่าอื่นแม้ยังมีอยู่ชื่อว่าความเป็นอินรียธรรมสภาวะธรรมที่ชื่อว่าอาหารเพราะอัถวิเคราะห์ว่านำรูปมีโอชาเป็นที่แปดเป็นต้นมาความจริงกัวรีการาหารย่อมนารูปที่มีโอชาเป็นที่แปดมา ผัสสะหารย่อมนำเวทนาสามมากุาศลกรรมและอกุศลกรรมกล่าวคือมโนสัญเจตนาหา ร, าาหารย่อมนำปฏิสนธิในภพสามมาปฏิสนธิวิญญาณกล่าวคือวิญญาณอาหารย่อมนำนามและรูปซึ่งเกิดร่วมกันมาแม้ทำเหล่าอื่นซึ่งนำทำที่อาศัยปัจจัยของตนของต น, งตนเกิดขึ้นมามีอยู่แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้นทำสี่อย่างนี้เท่านั้นตรัสเรียกว่าอาหารสี่เพราะเป็นปัจจัยพิเศษแก่ความสืบต่อที่เป็นไปภายในความจริง กัวลีการาหานชื่อว่าเป็นปัจจัยพิเศษแก่รู ป, ปกายของเหล่าสัตว์ผู้มีกัวลีการาหานเป็นพักษาเพราะรู ป, ปกายนั้นแม้อันปัจจัยมีกรรมเป็นต้นให้เกิดแล้วก็มีความเป็นไปตลอดสิบปีเป็นต้นได้ด้วยกําลังกัวลีการาหานคอยช่วยอุปธรรมนั่นเองจริงอย่างนั้นกัวลีการาหานี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าคล้ายกับแม่นมคอยอุปธรรมกุมาร คล้ายกับแม่แรงคำจุนเรือนฉะนั้นแม้ผัสสาหารซึ่งถูกต้องอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งสุขเวทนาเป็นต้นนั่นเองก็เป็นปัจจัยแห่งการดำรงอยู่แห่งเหล่าสัตว์โดยความเป็นไปแห่งสุขเวทนาเป็นต้นมโนสัญเจตนาหารประมวลมาด้วยอำนาจกุศ ล, ลกรรมและอกุศ ล, ลกรรมนั่นแล เป็นปัจจัยแก่ความดำรงอยู่แห่งเหล่าสัตว์โดยให้สำเร็จมูลแห่งพบวงและเปิดปฏิสนธิวิญญาณวงและปิดวิญญาณอาหารซึ่งรู้แจ้งอารมณ์อยู่เท่านั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่ความดำรงอยู่แห่งเหล่าสัตว์โดยความเป็นไปแห่งนามและรูปรวมความดังกล่าวมานี้ทำสี่อย่างเหล่านี้เท่านั้นตรัสเรียกว่า อาหารเพราะเป็นปัจจัยพิเศษแก่ความสืบต่อภายในดังพรนานามาชนีความที่ภาษาหารเป็นต้นเป็นที่สองเป็นอาทิตรัสไว้แล้วโดยลำดับเทศนาหาตรัสไว้โดยลำดับความเกิดขึ้นไม่ท่านพระอนุรุธทธาอาจารย์ตั้งใจถึงอธิบายความนี้เพราะปัญจวิญญาณจิตทั้งหลายในวงเล็บสิบดวง เป็นเพียงตกลงในอารมณ์ทั้งหลายวงเลบเปิดถ้าประการมีรูปารมณ์เป็นต้นวงเลบปิดโดยเว้นจากวิตกเจตสิกอุเบคาเวทนาสุขเวทนาและทุกขเวทนาแม้จะมีอยู่ในปัญจวิญญาณจิตเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มิได้ทรงยกขึ้นแสดงโดยความเป็นองค์ชาญเพราะไม่มีอาการเพ่งอารมณ์ที่แน่วแน่ ความจริงองค์ฌานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีภายหลังวิตกเจตสิกเพราะวิริยะเจตสิกไม่เกิดมีในจิตสิบหกดวงคือปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงมโนท่าจิตสามดวงและสันติระจิตสามดวงเอกขตาเจตสิกแม้จะมีอยู่ในจิตสิบหกดวงนั้นก็ไม่ถึงภาวะเป็นพระธรรม สมจิงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพระธรรมมีภายหลังวิริยะเจตสิกอันหนึ่งในอเฮตุกจิสแปดดวงก็หาองมัคทั้งหลายไม่ได้เพราะเว้นจากเหตุธรรมในวงเล็บหกประการสมจิงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าองมัคมีภายหลังเหตุธรรมดังนี้ จึงกล่าวว่าปัญจวิญญาณสุดังนี้เป็นต้นเชื่อมความว่าวงเล็บเปิดในปัญจวิญญาณในจิตทั้งหลายวงเล็บปิดย่อมหาองค์ฌานทั้งหลายไม่ได้เพราะเว้นจากอธิโมกเจตสิกเอกคตตาเจตสิกในจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยวิจิกิจฉาเจตสิกวงเล็บเปิดโมหมูลจิตวงเล็บปิดเป็นเพียงความดำรงอยู่แห่งจิตแต่ไม่ถึงจะเรียกว่า มิจฉาสมาธิสมาธินีและสมาธิภะละเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่าตถาวิจิกิจฉาจิตเตดังนี้เป็นต้นด้ยวยสับว่าทวิเหตุุกะและติเหตุุกะท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์แสดงว่าอธิปติธรรมในวงเล็บสี่ประการไม่เกิดมีในเอกเหตุกจิตทั้งหลายวงเล็บเปิดโมหมูลจิตสองดวงวงเล็บปิด บทอวตารณะในบทว่าเจ้าวะเนสเววะนี้มีไว้เพื่อแสดงว่าอธิปติธรรมทั้งหลายไม่เกิดมีในโลกิยาวิบากจิตทั้งหลายวงเล็บเปิดสามสิบสองดวงวงเล็บปิดความจริงโลกิยาวิบากจิตทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เชื่อชูอธิปติธรรมสี่ประการมีฉันทาธิปติเป็นต้นเป็นไปเพราะ วีมังสาธิปฏิธรรมไม่เกิดมีในโวนจิตที่เป็นทวิเหตุกะและเพราะเหมาะสมแก่ความเกิดมีแห่งอุปนิสัยคือความปรุงแต่งจิตท่านพระอนุรุธทธาอาจารย์หมายถึงภาวะแห่งอธิปฏิธรรมที่จะหาได้อยู่จึงกล่าวว่ายถาสัมภวังดังนี้วงและเปิดในโฉณจิตที่เป็นทวิเหตุกะและ จวนาจิตที่เป็นติเหตุกะทั้งหลายวงเล็บปิดชื่อว่าย่อมหาอธิปติธรรมได้เพียงประการเดียวเท่านั้นวงเล็บเปิดตามที่มีได้วงเล็บปิดเพราะนอกจากนี้ไม่ประกอบด้วยภาวะเป็นอธิปติธรรมก็เพราะเหตุ น, นั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตรัสไว้โดยนัยเป็นต้นว่าอธิปติธรรมเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย แก่ทมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยอธิปฏิธรรมดังนี้เหมือนตรัสไว้ในนิเทศแห่งเหตุปัจจัยโดยนัยเป็นต้นว่าเหตุธรรมเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยแก่ทมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยเหตุธรรมดังนี้แล้วทรงยกอธิปฏิปัจจัยขึ้นแสดงด้วยอำนาจอธิปติธรรมแต่ละอย่างเท่านั้นโดยนัยเป็นต้นว่า ชั้นทาธิปฏิธรรมเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปั จ, จัยแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมพยุดด้วยชั้นทาธิปฏิธรรมดังนี้สังคหะซึ่งระคนด้วยธรรมสามประการมีกุศลธรรมเป็นต้นชื่อว่ามิสกะสังหะคือมีชื่ออย่างนั้นเพราะระคนด้วยธรรมสามประการมีกุศลธรรมเป็นต้นนั้นนั่นเองท่านอาจารย์กล่าวไว้เจ็ดหมวดคือ กล่าวโดยวัตถุได้แก่กล่าวตามอำนาจธรรมเหตุธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้หประการหมวดหนึ่งองค์ฌานตรัสไว้หประการหมวดหนึ่งเพราะส่งรวมสมณสเวทนาโทมณะเวทนาและอุเบกขาเวทนาเป็นข้อเดียวกันคือเป็นเวทนาเจตสิกองค์มรตรัสไว้เกประการหมวดหนึ่งเพราะส่งรวมมิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะและมิจฉาสมาธิเป็นข้อเดียวกันกับสัมมาสังกัปปะเป็นต้นโดยมีส่วนเป็นวิตกเจตสิกวิริยะเจตสิกและจิตเตกคตาเจตสิกเหมือนกันอินทรียธรรมตรัสไว้สิบหกประการหมดหนึ่งเพราะทรงรวมอินทรียธรรมที่เป็นเวทนาห้าประการเป็นข้อเดียวกันโดยเป็นเวทนาเจตสิกเหมือนกัน ทรงรวมอินทรียธรรมที่เป็นฝ่ายโลกุตระสามประการและปัญญีเป็นข้อเดียวกันโดยเป็นปัญญาเจตสิกเหมือนกันและทรงแยกรูปชีวิตตินีกับรูปชีวิตตินีออกจากกันส่วนพระธรรมตรัสไว้9ประการหมวดหนึ่งโดยนัยตามที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละอธิปติธรรมตรัสไว้สประการหมวดหนึ่ง อาหารธรรมก็เหมือนกันคือตรัสไว้สี่ประการหมวดหนึ่งก็บรรดาธรรมในวงเล็บห้าสิบสามประการมีเหตุธรรมเป็นต้นเหล่านี้ปัญญาเจตสิกมีในสังขะห้าหมวดวงเล็บเปิดมีการรวมไว้ในห้าฐานะวงเล็บปิดส่วนวิริยะเจตสิกกับเอกะกตตาเจตสิกมีในสังหะอย่างละสี่หมวด เจตนาเจตสิกกับสติเจตสิกมีในสังหะอย่างละสามหมวดวิตกเจตสิกเวทนาเจตสิกและศรัทธาเจตสิกบัณฑิตกล่าวว่ามีในสังคหะอย่างละสองหมวดทำยี่สิบแปดประการที่เหลือท่านอาจารย์กล่าวว่ามีในสังหะอย่างละหนึ่งหมวดที่ชื่อว่าปัฏฐานเพราะอธถวิเคราะห์ว่าตั้งมั่นอธิบายว่า ความเป็นไปในอารมณ์มีกายเป็นต้นเข้าไปถึงตามลำดับด้วยอำนาจการยึดถือว่าไม่งามเป็นต้นปัจฐานคือสติชื่อว่าสติปัจฐานก็สติปัจฐานนั้นมีสี่ประการด้วยอำนาจยึดถืออาการในกายว่าไม่งามในเวทนาว่าเป็นทุกข์ในจิตว่าไม่เที่ยงและในธรรมว่าไม่ใช่ตัวตน และด้วยอำนาจละสัญญาวิปัลลาศในกายว่างามในเวทนาว่าเป็นสุขในจิตว่าเที่ยงและในธรรมว่าเป็นตัวตนเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกรัสว่าสติปัฏฐานมีสี่ประการที่ชื่อว่ากายเพราะอาจจะมีเคราะห์ว่า เป็นบ่อเกิดแห่งอาการสามสบสองมีผมเป็นต้นที่น่ากเกลียดได้แก่ร่างกายอีกในยะหนึ่งกองลมอัศสาะาาปัสสะชื่อว่ากายความเห็นเนืองๆคือความระลึกถึงกายนั้นด้วยอำนาจบริกรรมและด้วยอำนาจวิปัสนาชื่อว่ากายานุปัสนา ความเห็นเนืองๆด้วยอำนาจเวทนาซึ่งเป็นทุกข์เพราะทนได้ยากเป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลไปและเป็นทุกข์ประจําสังขารชื่อว่าเวทนานุปัสนาอันหนึง่งความเห็นเนืองๆคือความเห็นแจ้งซึ่งจิตที่ต่างกันโดยประเภทแห่งสัมภิ yok และภูมิด้วยอํานาจสราคจิต และมหัาตาจิตเป็นต้นนั่นแลด้วยอำนาจบริกรรมชื่อว่าจิตตานุปัสสนาความเห็นเนืองๆซึ่งธรรมคือสัญญาและสังขารที่มีลักษณะต่างกันนั่นแลชื่อว่าธรรมานุปัสสนาที่ชื่อว่าส ม, มปทานเพราะอัิวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องกั้งความเพียรโดยชอบแห่งเหล่าชน ได้แก่วายามะก็วายามะนั้นมีสี่ประการโดยประเภทแห่งหน้าที่เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่าสมปทานมีสี่ประการดังนี้เป็นต้นความพยายามด้วยอำนาจความใส่ใจถึงว่าไม่งามและเพียรประกอบกรรมฐานเป็นต้นชื่อว่าวายามะ บทว่าพิโยภาวายะได้แก่เพื่อความเจริญยิ่งขึ้นที่ชื่อว่าอิทิเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องสำเร็จแห่งกิจมีการอธิษฐานเป็นต้นได้แก่อิทิวิทยานทำเป็นเครื่องถึงความสำเร็จชื่อว่าอิทิบาอิทิบาทคือชันทะชื่อว่าฉันทิทิบาทที่ชื่อว่าโพธิเพราะอัตวิเคราะห์ว่า ตรัสรู้พระโยคาวจรเริ่มตั้งแต่ท่านผู้ปราลบวิปัสสนาย่อมรู้ได้ย่อมรู้แจ้งสัจจะทั้งหลายได้ย่อมออกจากความหลับคือกิเลสได้หรือย่อมเบิกบานในความบรรลุมรรคและผลเพราะไม่มีความคดงอคือกิเลสได้ด้วยความพร้อมเพรียงแห่งธรรมมีสติเป็นต้นใด ความพร้อมเพรียงแห่งธรรมนั้นชื่อว่าโพธิชื่อว่าโพ ช, ชงเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นองค์คือเป็นเหตุแห่งความตรัสรู้นั้นหรือแห่งความพร้อมเพียงแห่งธรรมคือโพธินั้นก็โพชงเหล่านั้นมีเจ็ดประการด้วยอำนาจแห่งธรรม เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่าสติสัมโพชงดังนี้เป็นต้นชื่อว่าสติสัมโพชงเพราะอถวิเคราะห์ว่าเป็นองค์แห่งความตรัสรู้อันงามคือเป็นองค์แห่งความตรัสรู้อันงามหรือแห่งความพร้อมเพรียงแห่งธรรมที่ชื่อว่าโพธิอันงามคือสติ ที่ชื่อว่าธรรมวิจยะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเลือกเฟน้นคือพิจารณาธรรมทั้งหลายได้แก่วิปัสนาปัญญาในบทว่าอุเบกขานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เอาตัตตะมชัชตุเปขา ท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวว่าในโพธิปักขิยะสังคหะนั้นมีการรวบรวมสภาวธรรมไว้เจ็ดหมวดดังนี้แล้วหวังจะแสดงการรวบรวมสภาวธรรมนั้นซ้ำอีกจึงกล่าวคำว่าสังกปะปัสสธิจะดังนี้เป็นต้นบรรดาสภาวธรรมสิบี่ประการนั้นวิริยะเจตสิก ชื่อว่ามีฐานะเก้าประการเพราะทาหน้าที่เก้าอย่างคือสัมมปทานสวิริยติบาทในวงเล็บหนึ่งวิริยินรีในวงเล็บหนึ่งวิริยาภละในวงเล็บหนึ่งวิริยะสัมโพชฌงในวงเล็บหนึ่งสัมมาวายามะในวงเล็บหนึ่งสติเจตสิกชื่อว่ามีฐานะ8ประการเพราะทาหน้าที่8อย่างคือสติปฐานสี่ สตินสีในวงเล็บหนึ่งสติภะระในวงเล็บหนึ่งสติสัมโพชฌงในวงเล็บหน 1, methods, huh? ึ่งสัมมาสติในวงเล็บหนึ่งเอกคตาเจตสิกชื่อว่ามีฐานะสี่ประการเพราะทําหน้าที่สี่อย่างคือสมาธินสีในวงเล็บหนึ่งสมาธิภะระในวงเล็บหนึ่งสมาธิสัมโพชฌงในวงเล็บหนึ่งสัมมาสมาธิในวงเล็บหนึ่งปัญญาเจตสิก ชื่อว่ามีฐานะห้าประการเพราะทําหน้าที่หอย่างคือวีมังสิทธิบาทในวงเล็บหนึ่งปัญญินรีในวงเล็บหนึ่งปัญญาภะละในวงเล็บหนึ่งธรรมวิจยสัมโพชงในวงเล็บหนึ่งสัมมาทิฐิในวงเล็บหนึ่งศรัทธาเจตสิกชื่อว่ามีฐานะสองประการเพราะทําหน้าที่สองอย่างคือสัจธินรีในวงเล็บหนึ่งศรัทธาภะละในวงเล็บหนึ่ง นี้เป็นการจำแนกสภาวะธรรม3ามสิบเจ็ดประการอันยอดเยี่ยมคือพิเศษสุดโดยความเป็นธรรมซึ่งเป็นไปในฝักฝ่ายปัญญาเครื่องตรัสรู้อย่างประเสริฐคืออย่างยอดเยี่ยมในโลกุตรจิตแม้ทั้งแปดดวงย่อมมีธรรมครบทั้งสามสิบเจ็ดประการหรือว่าวิตกเจตสิกกับปีติเจตสิกไม่มี คือหรือว่าชื่อว่ามีอยู่ก็หามิได้เพราะวิตกเจตสิกไม่เกิดในทุติยชานิกจิตเป็นต้นและเพราะปีติเจตสิกไม่เกิดมีในจตุทชานิกจิตและปัญจมะชานิกจิต แม้ในโลกิยะจิตนวงเล็แปดสิบเอดวงสภาวะธรรมบางเหล่าก็เกิดแยกแก้กันในจิตบางดวงตามที่ประกอบได้คือด้วยอำนาจที่เหมาะสมแก่หน้าที่นั้นๆในความเป็นไปแห่งวิสุธทธิหกประการมีศีลและวิสุธทธิเป็นต้นหรือว่าไม่เกิดมีในจิตบางดวง ธรรมที่มีส่วนเสมอกันทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้ น, น, นที่ต่างกันโดยแยกเป็นอดีตธรรม อ, อนาคตธรรมและปัจจุบั น, นธรรมเป็นต้นชื่อว่าขันเพราะอาจว่ารวมเป็นหมวดเดียวกันเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเพราะประมวลย่นรูปนั้นเข้าเป็นอันเดียวกันนี้เรียกว่ารูปประคันดังนี้เป็นต้น ก็อขันเหล่านี้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ห้าประการเท่านั้นด้วยอำนาจความกำหนดว่าเป็นภาชนะว่าเป็นโภชนะว่าเป็นกับข้าวว่าเป็นผู้ปรุงอาหารและว่าเป็นผู้บริโภคในวงเล็บอาหารเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาอาจารย์จึงกล่าวว่ารูปักขันโทดังนี้เป็นต้น ความจริงรูปประคัชื่อว่าดำรงอยู่ในฐานะเป็นดุดภาชนะเพราะเป็นที่อยู่อาศัยแห่งเวทนาเจตสิกเวทนาขันชื่อว่าดำรงอยู่ในฐานะเป็นดุดโภชนะเพราะเป็นธรรมชาติอันวิญญาณพึงบริโภคสัญญาขันชื่อว่าดำรงอยู่ในฐานะเป็นดุดกับข้าวเพราะเป็นเหตุได้ความพอใจในเวทนา สังขารละขันทั้งหลายชื่อว่าดำรงอยู่ในฐานะเป็นดุจผู้ปรุงอาหารเพราะเป็นตัวปรุงแต่งอารมณ์คือเพราะทําให้วิญญาณได้ความยินดีวิญญาณละขันชื่อว่าดำรงอยู่ในฐานะเป็นดุจผู้บริโภคเพราะเป็นตัวบริโภคอารมณ์ได้เต็มที่ก็ด้วยคําอธิบายเพียงเท่านี้เป็นอันสําเร็จเนื้อความตามพระประสงค์แล้ว เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกัสขันไว้ห้าประการเท่านั้นแม้ในลำดับแห่งเทศนาก็ชื่อว่ามีเหตุนี้เหมือนกันเพราะทรงพระประสงค์จะแสดงการลำดับแห่งสถานที่บริโภคสิ่งของที่บริโภคเครื่องบริโภคผู้ปรุงและผู้บริโภค มูแห่งอารมณ์ของอุปาทานทั้งหลายชื่อว่าอุปาทานขันก็อุปาทานขันมีรูปเป็นต้นเหล่านั้นที่สัตว์ยึดถือโดยความเป็นอารมณ์ของอุปาทานมีห้าประการเหมือนกันเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวว่ารูปูปาทานขันโทดังนี้เป็นต้นความจริงเพื่อรวบรวมธรรมที่มีส่วนเสมอกันทั้งหมด พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงธรรมทั้งหลายทั้งที่มีอาสะวะทั้งที่หาอาสะวะมิได้ว่าขันห้าดังนี้โดยไม่แปลกกันแต่เพื่อจะทรงสแสดงภูมิวิปัสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงเฉพาะธรรมที่มีอาสะวะเท่านั้นว่าอุปาทานขัน เพิ่งเห็นความหมายว่าก็ในขันห้ามีรูปประขันเป็นต้นนี้นามขันทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นเป็นทั้งที่มีอาสวะและหาอาสวะไม่ได้ฉันใดรูปประขันหาเป็นฉันนั้นไม่เพราะรูปเป็นกามาวจรอย่างเดียวอันหนึ่งรูปนั้นทรงแสดงไว้ในขันทั้งหลายด้วยอำนาจหมวดสภาคธรรม แต่ทรงแสดงไว้ในอุปาทานขันธ์ทั้งหลายโดยความเป็นธรรมชาติอันเหล่าสัตว์พึงยึดมั่นถือมั่นและด้วยอำนาจเป็นหมวดธรรมจิตและเจตสิกซึ่งมีทวานนั้นๆเป็นอารมณ์ย่อมสืบต่อคือภาคเพียรได้แก่พยายามโดยหน้าที่นั้นๆในจะขู่และรูปเป็นต้นนี้ เพราะเหตุนั้นจักรคูและรูปเป็นต้นเหล่านั้นจึงชื่อว่าอายตนะหรือว่าจักรคูและรูปเป็นต้นเหล่านี้ย่อมยังทาเหล่านั้นอันเป็นบ่อเกิดให้แผ่ขยายคือให้กว้างขวางเพราะเหตุนั้นจักรคูและรูปเป็นต้นเหล่านั้นจึงชื่อว่าอายตนะหรือว่า จักขูและรูปเป็นต้นเหล่านั้นย่อมนำไปคือยังสังสารทุกข์ให้เป็นไป ย, ยืดยาวเพราะเหตุนั้นจักขูและรูปเป็นต้นเหล่านั้นจึงชื่อว่าอายตนะหรือว่าจักขูและรูปเป็นต้นเหล่านี้เป็นเหตุแ ja ห่งจักขูวิญญาณในจิตเป็นต้นเพราะเหตุนั้นจักขูและรูปเหล่านั้นจึงชื่อว่าอายตนะอีกอย่างหนึ่งสถานที่อยู่อาศัย สถานที่เป็นบ่อเกิดสถานที่ประชุมและสถานที่เกิดของตนในโลกเขาก็เรียกกันว่าอายตนะเพราะเหตุนั้นจักขุภาษาทารูปเป็นต้นแม้เหล่านี้จึงชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นที่อยู่อาศัยแห่งจักขุวิญญาณจิตเป็นต้นซึ่งเป็นไปทางทวานนั้นๆัและมีทวานนั้นๆเป็นอารมณ์เพราะเป็นสถานที่ เป็นบ่อกเกิดแห่งจกักขุวิญญาณจิตเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองที่เป็นไปโดยความเป็นธรรมชาติเจรปนกันอยู่ทั่วไปเพราะเป็นสถานที่ประชุมแห่งจกักขุวิญญาณจิตเป็นต้นเหล่านั้นซึ่งมาประชุมกันทางทวารและอารมณ์ และเพราะเป็นสถานที่เกิดของตนแห่งจกักขูวิญญาณจิตเป็นต้นเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในทวารและอารมณ์เหล่านั้นนั่นเอง ท่านพระอนุรุธทธาาจารย์คำนึงถึงว่าก็อายตนะเหล่านั้นมีสิบสองอย่างคือที่เป็นทวารชื่อว่าอายตนะภายในมีหกประการและที่เป็นอารมณ์ชื่อว่าอายตนะภายนอกมีหกประการดังนี้จึงกล่าวว่าจักวายตนังดังนี้เป็นต้นจะคู่นั้นด้วยเป็นอายตนะด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าจักวายตนะ ม้ในอายตนะทั้งหลายที่เหลือก็มีนัยยะอย่างนี้เหมือนกันในอายตนะภายในหกประการในบรรดาอายตนะสิบสองประการนั้นจักขวายตนะชื่อว่าปรากฏชัดเจนเพราะมีอารมณ์ที่เห็นได้และกระทบได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสจักรวายตนะนั้นไว้เป็นประการแรก ตรัสอายตนะนอกนี้ซึ่งมีอารมณ์เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ไว้ในลำดับต่อจากจักขวายตนะนั้นแม้ในบรรดาอายตนะห้าประการนั้นก็ตรัสโส ต, ตายตนะไว้ในลำดับต่อจากจักขวายตนะเพราะเป็นธรรมชาติรับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงตนได้เหมือนกันในบรรดาอายตนะนอกนี้ตรัส คานายตนะไว้ก่อนเพราะมีความสามารถรับอารมณ์ได้เร็วกว่าความจริงกลิ่นของโพชนะเป็นต้นเพียงวางไว้ข้างหน้าก็กระทบคานปภาษาทรูปได้ตามกระแสะลมก็ในลำดับต่อจากคานายตนะนั้นตรัสชิวหายยตนะไว้โดยมีความเป็นไปในเฉพาะส่วนเสมอกัน ต่อแต่นั้นจึงกรัดกายะยตนะอันเป็นที่รองรับอายตนะทั้งหมดต่อแต่นั้นไปจึงกรัดมะนายตนะซึ่งมีความสามารถรับอารมณ์แม้ของอายตนะทั้งห้าได้ส่วนอายตนะภายนอกหประการมีรูปายตนะเป็นต้นซึ่งเป็นอารมณ์ของอายตนะภายในหประการมีจักวายตนะ เป็นต้นนั้นๆพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ตามลำดับอายตนะตามที่ได้กล่าวไว้แล้วธรรมชาติเหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่งสภาวะแห่งตนเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุอีกอย่างหนึ่ง ธรรมชาติเหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่งสังสารทุก์มีอนเนกประการตามที่เกิดมีได้เพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุอันหนึ่งธรรมชาติเหล่าใดอันเหล่าสัตว์ทรงไว้คือทานไว้คล้ายของหนักอันบุคคลผู้แบกของหนักแบกไว้ฉะนั้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุอันหนึ่งธรรมชาติเหล่านี้เป็นเพียงความทรงไว้ซึ่งทุกเท่านั้นเพราะ ไม่เป็นไปในอำนาจในวงเล็บของตนเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั his name, ้นชื่อว่าธาตุอันหนึ่งสังสารทุกข์อันเหล่าสัตว์ย่อมเสวยด้วยธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เพราะเหตุนั้นธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าธาตุอันหนึ่งทุกมีประการดังกล่าวแล้วเช่นนั้นตั้งอยู่คือดำรงอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุ อันหนึ่งธรรมชาติเหล่าใดเป็นองค์ประกอบแห่งธรรมที่ควรรู้ดุจ ธ, ธาตุอันเป็นส่วนประกอบแห่งร่างกายมีรสและโลหิตเป็นต้นและดุจ ธ, ธาตุอันเป็นองค์ประกอบแห่งภูเขามีหรดานและมโนศิลาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุสมจริงดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าธรรมชาติใด ย่อมทรงสังสารทุกข์อเนกประการไว้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุธรรมชาติใดอันเหล่าสัตว์ทรงไว้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุธรรมชาติใดอันเป็นเพียงความทรงทุกข์ไว้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุสังสารทุกข์อันเหล่าสัตว์ย่อมเสวยด้วยธรรมชาตินี้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าธาตุ ทุกมีประการดังกล่าวดำรงอยู่ในธรรมชาตินี้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุธรรมชาติเหล่าใดเป็นเพียงองค์ประกอบแห่งธรรมที่ควรรู้ดุจธาตุอันเป็นองค์ประกอบแห่งร่างกายและภูเขาฉะนั้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์คานึงถึงว่า ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกมานยตานะเป็นเจ็ดประการคือวิญญาณธาตุจิตเจ็ดประการแล้วตรัสธาตุเหล่านั้นรวมกับอายตนะสิบเอ็ดประการที่เหลือเป็นสิบแปดประการดังนี้จึงกล่าวว่าจาักขุทาตุดังนี้เป็นต้นเหตุแห่งการจัดลำดับบันดิตพึงเห็นตามนัยยะที่ข้าพระเจ้ากล่าวไว้แล้ว ธรรมชาติทั้งหลายชื่อว่าสัจเพราะเป็นธรรมชาติแท้ชื่อว่าอริยะเพราะทำความเป็นพระอริยะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอริยสัจความจริงอริยสัจเหล่านี้ย่อมให้สำเร็จพระอริยบุคคลแปดประเภทคือท่านผู้ดำรงอยู่ในมรรคผู้ปฏิบัติอยู่สี่ประเภทและท่านผู้ดารงอยู่ในผลสี่ประเภทเพราะ เมื่อไม่มีความรู้แจ้งสัจจะพระอริยบุคคลเหล่านั้นก็เข้าถึงความเป็นพระอริยไม่ได้และเพราะเมื่อมีความรู้แจ้งสัจจานั้นพระอริยบุคคลเหล่านั้นก็เข้าถึงความเป็นพระอริยนั้นได้โดยส่วนเดียวอันหนึ่งภาวะที่ทุกขอริยสัตว์เป็นธรรมชาติเบียดเบียน สมุทัยอริยสัจเป็นแดนเกิดก่อนนิโรธอริยสัจเป็นสภาวะสลัดออกและมัจอริยสัจเป็นสภาวะนำออกไปจากทุก์นั่นแหละย่อมมีตามลำดับภาวะที่ทําเหล่าอื่นเป็นธรรมชาติเบียดเบียนเป็นต้นนั่นแหละมีอยู่ก็หาไม่ได้และภาวะที่ทุกขอริยสัจ เป็นต้นเป็นธรรมชาติไม่เบียดเบียนเป็นต้นมีอยู่ก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นอริยสัจสี่ประการเหล่านี้จึงเป็นธรรมชาติแท้โดยลักษณะกล่าวคือภาวะเป็นธรรมชาติเบียดเบียนเป็นต้นไม่มีในธรรมเหล่าอื่นและภาวะเป็นธรรมชาติเบียดเบียนเป็นต้นซึงทราบอยู่ในทุกข อ, อริยสัจเป็นต้นเหล่านั้น เพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าทำสี่ประการย่อมยังพระอริยบุคคลสี่ประเภทผู้กําลังกัดมลทินและพระอริยบุคคลสี่ประเภทผู้สิ้นโทษแล้วให้สําเร็จได้ตามสมควรแก่ปัญญาตรัสรู้เพราะความเป็นธรรมชาติเบียดเบียนเป็นต้นบัณฑิตหาไม่ได้ในธรรมเหล่าอื่นจากทุกขอริยสัตว์เป็นต้นเหล่านี้ ภาวะที่ทุกขอริยสัตว์เป็นต้นเหล่านี้เป็นธรรมชาติไม่เบียดเบียนในวงเล็กเป็นต้นมีอยู่ก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นอริยสัตว์เหล่านี้จึงเป็นธรรมชาติแท้แลหรือว่าสัจจะทั้งหลายของพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าอริยสัตว์เพราะเป็นสภาวะที่พระอริยบุคคลเหล่านั้นพึงรู้แจ้งได้ หรือว่าสัจจะทั้งหลายของพระอริยเจ้าคือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นธรรมชาติอันพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอริยสัจก็อริยสัจเหล่านั้นมีสี่อย่างคือผลที่เศร้าหมองวงเล็บเปิดทุกขอริยสัจวงเล็บปิดผลที่ไม่เศร้าหมองในวงเล็บนิโรธอริยสัจ เหตุที่เศร้าหมองในวงเล็บสมุทัยอริยสัจเหตุที่ไม่เศร้าหมองในวงเล็บมรรคะอริยสัจเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวว่าจัตตาริอริยสัจจานิดังนี้เป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยในคำว่าจัตตาริอริยสัจจานินั้นดังก่าไปนี้ ธรรมชาติที่ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นธรรมชาติที่น่ากเกลียดและเพราะเป็นธรรมชาติว่างเปล่าสภาวธรรมที่ชื่อว่าสมุทัยโดยเป็นนิมิตหมายแห่งความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ในการสังสมปัจใจมีกรร ม, มะปัจใจเป็นต้นเพราะอธิบายความว่าเป็นแดนเกิดขึ้นแห่งทุกแดนเกิดขึ้นแห่งทุกชื่อว่าทุกขสมุทัย สภาวะธรรมที่ชื่อว่าทุกขนิโรธเพราะอธิบายความว่าเป็นที่หรือเป็นเครื่องดับลงโดยไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติที่ชื่อว่าทุกขนิโรธทาคามินีปฏิปทาเพราะอธิบายความว่าไปถึงความดับทุกข์และเป็นเครื่องดำเนินถึงความดับทุกข์นั้นแห่งท่านผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลาย ทำหกสบประการคือเจตสิกในวงเล็บ52สุขุมร 16, ูป1ิบนิพพานหนึ่งย่อมถึงการนับว่าธรรมายตนะในบรรดาอายตนะทั้งหลายและว่าธรรมธาตุในบรรดาธาตุทั้งหลายข้อว่าเสสาเจตสิกาได้แก่เจตสิกธรรม50บประการซึ่งเหลือจากเวทนาเจตสิกและสัญญาเจตสิก ถามว่าก็เพราะเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกัดเวทนาขันและสัญญาขันแยกไว้ต่างหากตอบว่าเพราะเวทนาขันเป็นธรรมชาติพอใจในวัตถธรรมทั้งหลายและสัญญาขันเป็นอุปกรณ์แก่ความพอใจในวัตถธรรมนั้นความจริงธรรมชาติที่เป็นไปด้วยอำนาจความพอใจในธรรมที่เป็นไปในไตรภูมิชื่อว่าเวทนา ก็เวทนาเจตสิกนั้นมีความเป็นไปโดยอาการอย่างนั้นด้วยอำนาจความสำคัญผิดในสิ่งที่ไม่งามว่างามเป็นต้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาติอันเป็นอุปกรณ์แก่เวทนานั้นจึงชื่อว่าสัญญาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแยกแสดงเวทนาขันและสัญญาขันเหล่านั้นไว้เพราะเป็นเหตุซึ่งเป็นประธานแห่งสงสารแล สมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพื่อทรงแยกแสดงความพอใจในวัตธรรมและความเข้าไปติดความพอใจในวัตธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกขันธ์สองขึ้นแสดงท่านพระอนุรุธทธาอาจารย์คำนึงถึงว่าก็พระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรวมไว้ในอาญตนะในวงเล็บสิบสอง และธาตุในวงเล็บสิบแปดมิใช่หรือเพราะเหตุไรจึงไม่ทรงรวมไว้ในขันทั้งหลายเล่าดังนี้จึงกล่าวว่าเพทาภาเวนะดังนี้เป็นต้นอธิบายว่าความจริงการบัญญัติธรรมทั้งหลายซึ่งกลางการโดยแยกเป็นอดีตธรรมเป็นต้นว่าเป็นขันเพราะอาจว่าเป็นหมวดธรรมเพราะเหตุนั้น พระนิพพานจริงชื่อว่าออกแล้วคือพ้นแล้วจากการสงเคราะห์ว่าขันเพราะไม่มีความต่างกันอายตนะย่อมมีสิบสองประการโดยความต่างกันแห่งทวารหกและอารม์ก็มีจำนวนเท่านั้นเหมือนกันธาตุมีสิบแปดประการโดยปริยายคือโดยลำดับแห่งทวารหกอารมหกและ วิญญาณที่อาศัยทวารและอารมณ์ทั้งสองเกิดขึ้นก็มีจำนวนเท่านั้นเหมือนกันภูมิของวัฏฐ์นี้มีสามเพราะเหตุนั้นวัฏฐะนี้ชื่อว่ามีภูมิสามติภูมินั่นเองเป็นเตภูมิที่ชื่อว่าวัฏฐะเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าเป็นที่เป็นไปแห่งกรรมหรือผลของกรรมนั้น ที่ชื่อว่าตัณหาได้แก่ตัณหามีสามอย่างคือกามตัณหาเป็นต้นมีสิบแปดอย่างคืออารมณ์หกมีห้าสิบสี่อย่างคืออติตารม์อนาคตารม์และปัจจุปันณารม์และแยกเป็นหนึ่งร้อยแปดอย่างคือตัณหาภายในและตัณหาภายนอกอีกถามว่าก็เพราะเหตุอะไร เมื่อเหตุแห่งทุกข์แม้เราอื่นก็ยังมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเฉพาะตัณหาว่าสมุ ท, ทยัยตอบว่าเพราะเป็นเหตุที่เป็นประธานความจริงตัณหาชื่อว่าเป็นเหตุพิเศษแห่งทุกข์เพราะเป็นเหตุตรการไปด้วยทุกข์โดยเป็นเหตุแห่งความเป็นธรรมชาติอันตรการไปด้วยกรรม และโดยเข้าถึงความเป็นสหายของกรรมที่ชื่อว่ามรคคือมรคที่ตรัสไว้โดยชื่อว่านิโรธาคามินีปฏิปทาบัณฑิตเรียกว่าโลกุตระมรคเพราะเหตุนั้นพึงประกอบศัพท์ว่ามรคเพิ่มเข้าไปอีกว่าโดยตรงทำทั้งหลายเหล่านี้คือทำทั้งหลายที่ประกอบกับมรคจิตได้แก่สัมปยุตธรรมทั้งหลาย มีภัรษาเจตสิกเป็นต้นที่ประกอบกับมรคจิตซึ่งพ้นจากมรคมีองแปดได้แก่ที่เหลือและผลลจิตพร้อมทั้งสัมปยุตรธรรมออกแล้วคือออกจากสัจจ4ประการแต่ว่าโดยอ้อมเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แม้ในนิเทศแห่งอัญญาตาวินสีว่าองค์มรค นับเนื่องกับมรรคจิตดังนี้เป็นต้นในบรรดาผลธรรมทั้งหลายบัณฑิตจึงจะสามารถทําการรวมองค์มรรคทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นลงในมรรคสัตว์และรวมองค์มรรคเจ็ดประการมีสัมมาวายามะเป็นต้นนอกนี้ที่ประกอบกับมรรคจิตและผลจิตลงในทุกขสัตว์โดยเป็นทุก ประจำสังขารเหมือนกันความจริงเมื่อมีการรวมธรรมไว้อย่างนั้นแม้สัจเทศนาก็ย่อมเกิดมีการรวมธรรมไว้ได้ทั้งหมดถามว่าก็เพราะเหตุไรท่านอาจารย์จึงกล่าวธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นเหล่านี้ไว้มากมายตอบว่าเพราะ แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงไว้อย่างนั้นเหมือนกันถามว่าเพราะเหตุไรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นตอบว่าเพราะทรงพระประสงค์จะอนุเคราะห์สัตว์สามจำพวกความจริงเหล่าสัตว์มีสามจำพวกคือเหล่าสัตว์ผู้ลุ่มหลงในนามมีอินทรีย์แก่กล้าและพอใจความย่อจำพวกหนึ่ง เหล่าสัตว์ผู้ลุ่มหลงในรูปมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้านักและพอใจความปานกลางจำพวกหนึ่งเหล่าสัตว์ผู้ลุ่มหลงในนามและรูปทั้งสองนั้นมีอินทรีย์อ่อนและพอใจความพิสดารจำพวกหนึ่ง บรรดาเหล่าสัตว์สามจมพวกนั้นเหล่าสัตว์จำพวกลุ่มหลงในน้จกกำจะกําหนดรู้ถึงขันได้เพราะในขันทั้งหลายเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจําแนกน้ำเป็นสประการวงเล็บเปิดคือเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งวงเล็บปิด เราสัตว์จำพวกลุ่มหลงในรูปจะ ก, กำหนดรู้ถึงอายตนะได้เพราะในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกรูปเป็น11อส่วนทั้งกึ่งวงเล็บเปิดคือส0ส่วนครึ่งวงเล็บปิด เหล่าสัตว์จำพวกลุ่มหลงในนามและรูปทั้งสองจะกำหนดรู้ถึงธาตุได้เพราะในธาตุทั้งหลายเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกนามและรูปแม้ทั้งสองโดยพิสดารบัณฑิตพึงประกอบคำว่าเหล่าสัตว์จำพวกมีอินทรีย์แก่กล้าและเหล่าสัตว์จำพวกพอใจความย่อจะกำหนดรู้ถึงขันได้ ก็เหมือนกันดังนี้เป็นต้นบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็สับแม้ทั้งสามนี้นั้นย่อมนำอุปการะมาให้ทันตาเห็นทีเดียวด้วยอำนาจทุกขสัตว์ที่เป็นไปอยู่นิโรธสัตว์ที่ให้กลับและเหตุแห่งทุกขสัตว์ที่เป็นไปอยู่คือวงเล็บเปิดคือสมุทัยศาสตร์วงเล็บปิด เหตุแห่งนิโรธสัตว์ที่ให้กลับวงเล็บเปิดคือมรรคสัตว์วงเล็บปิดทั้งสองนั้นย่อมนำอุปการะมาให้โดยประการอื่นไม่เพราะเหตุนั้นเหล่าสัตว์จึงกําหนดรู้ถึงสัจจะวงเล็บเปิดคืออริยสัจสี่ประการวงเล็บปิดได้พันานาความปริเฉดที่เจ็ดในดีกาอภิธรรมัทธสังคหะชื่ออภิธรรมัทธวิภาวินีจบแล้วด้วยประการชนี พนานาความป ร, ริเฉตที่แปดบัดนี้ท่านอาจารย์เพื่อจะแสดงปัจจัยของรูปธรรมและนามธรรมตามที่กล่าวแล้วด้วยอำนาจปฏิจจสมุ ป, ปาทนายและปัจฐานานายัยจึงเริ่มคำว่าเยสังดังนี้เป็นต้นประกอบความว่าธรรมคือปัจจัยเหล่าใด เป็นปัจจัยคือเป็นสภาวะธรรมอุปการะแก่ความดำรงอยู่และความอุบัติแห่งธรรมที่ชื่อว่าสังคตตเพราะอันปัจจัยทั้งหลายปรุงแก่งได้แก่ธรรมอันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยเหล่าใดโดยประการใดคือโดยอาการใดข้าพเจ้าจะกล่าววิภาก น, น, นั้นคือประเภทของธรรมที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยนั้นหนึ่ง ประเภทของปัจจัยเหล่านั้นหนึ่งประเภทของอาการที่เป็นปัจจัยนั้นหนึ่งในที่นี้คือในฐานะอันเป็นลำดับแห่งสมุจยะสังขะนี้ตามสมควรคือสมควรแก่อาการคือภาวะที่ปัจจัย น, น, นั้นเป็นปัจจัยนั้นเฉพาะทำอันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยนั้ น, น, นในบัดนี้วินิจฉัย ใ, ในคําว่าปฏิจจสมุปบาทในเป็นต้นนั้น ดังต่อไปนี้ธรรมที่ชื่อว่าปฏิจจสมุบาทด้วยอาจว่าเป็นแดนอาศัยความพรั่งพร้อมแห่งปัจจัยถึงพร้อมแล้วเกิดผลทั้งหลายขึ้นได้แก่ปัจจัยปรกรณ์อันชื่อว่าปัจฐานด้วยอาจเป็นต้นว่าเป็นที่มีฐานคือปัจจัยประการต่างๆได้แก่มหาปรกรณ์สมันตาปัจฐานซึ่งมีนัยยะ ไม่มีที่สุดนัยยะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาปรกรณ์สมันตาปัฐานซึ่งมีนัยยะไม่มีที่สุดนั้นชื่อว่าปัฏฐานานาั่นเบทว่าตัดถะได้แก่บรรดานัยยะทั้งสองนั้นความเกิดมีแห่งปัจจยุปันธธรรมซึ่งมีเป็นปกติโดยความเกิดมี แห่งปัจจยธรรมนั้นชื่อว่าตับภาวะภาวิภาวะเพียงอาการคือความเกิดมีแห่งปัจจยุ ป, ปนธธรรมซึ่งมีปกติโดยความเกิดมีแห่งปัจจัยนั้น นัยยะที่ท่านกําหนดแน่นอนโดยเพียงอาการคือความเกิดมีแห่งปัจจยุปันธรรมซึ่งมีเป็นปกติโดยความเกิดมีแห่งปัจจยธรรมนั้นชื่อว่าตับภาวะเปรักขิตะด้วยบทว่าตับภาวะพาวิภาวะการะมัตโตปรักิตโตนี้นั่นแลโดยใจความย่อมเป็นอันท่านแสดง แม้ความที่นัยยะที่ท่านกําหนดแน่นอนโดยเพียงอาการคือความเกิดมีแห่งปัจจยุ ป, ปนธธรรมซึ่งมีเป็นปกติโดยความเกิดมีแห่งปัจจัยธรรมนั้นความจริงลักษณะแห่งปัจจัยธรรมพึงแสดงด้วยอำนาจนัยยะที่คล้อยตามและนัยยะที่ขัดแย้งกัน เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกรัดว่าเมื่อเหตุนี้มีผล น, นี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดขึ้นผล น, นี้จึงเกิดขึ้นเมื่อเหตุนี้ไม่มีผล น, นี้ก็ไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผล น, นี้จึงดับที่ชื่อว่าปัจจัยเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นแดนอาศัยเป็นไปแห่งผลที่ชื่อว่าติติเพราะอัตวิเคราะห์ว่า เป็นที่ตั้งอยู่แห่งผลเพราะมีความเป็นไปเนื่องกับปัจจัยธรรมนั้นที่ตั้งอยู่แห่งผลกล่าวคือปัจจัยที่เป็นไปตลอดได้แก่ไม่เหลือชื่อว่าอาหัจัปัจจยทิติ ความจริงปฏิจจสมุปาทนาัาไม่คํานึงถึงความต่างกันแห่งการกําหนดปัจจัยมีเหตุปัจจัยเป็นต้นย่อมเป็นไปโดยไม่แปลกกันเลยเพราะอาศัยเพียงอาการคือความเกิดมีแห่งปจัจจยุ ป, ปนธธรรมซึ่งมีปกติโดยความเกิดมีแห่งปัจจัยธรรมนั้นเป็นไป ส่วนปัฏฐานในนี้อาศัยความต่างกันแห่งอาการคือความสามารถในความที่แห่งปัจจัยนั้นๆมีเหตุปัจจัยเป็นต้นเป็นปัจจัยนั้นๆแก่ทำอื่นนั้นๆเป็นไปต่างกันเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาาจารย์จึงกล่าวว่าทรงปรารภที่ตั้งอยู่แห่งผลกล่าวคือปัจจัยที่เป็นไปตลอด ตรัสเรียกว่าปัดฐานานาั่นในส่วนอาจารย์บางพวกพันนาไว้ว่าที่ตั้งอันบุคคลพูดถึงคือกระทบที่คอและเพดานเป็นต้นชื่อว่าอาหัดจัจจยัิติก็คำนั้นย่อมประกายความที่ถ้อยคำของเกจิอาจารย์พวกนั้นเป็นธรรมชาติอันบุคคลพึงหัวเราะเยาะได้ด้วยเหตุเพียงได้ยินเท่านั้นเพราะว่าปฏิจจ สมุปปาทนายหรือนยะอย่างอื่นอะไรอะไรก็ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สามารถจะทรงแสดงไม่ให้กระทบที่คอและที่เพดานเป็นต้นได้ดังนี้แลอธิบายว่าอาจารย์ทั้งหลายคือท่านอาจารย์ผู้แต่งสังคหะเป็นต้นผสมได้แก่ใส่ปัตฐานานายัยเข้าในปฏิจจ สมปปาท่าไนานั่นเองแล้วผสมด้วยความเกิดมีแห่งปัจจยุปนธรรมซึ่งมีปกติโดยความเกิดมีแห่งปัจจัยธรรมนั้นและด้วยอำนาจเหตุปัจจัยเป็นต้นพรรณนาไว้อย่างพิสดารคือขยายออกอย่างกว้างขวา ง, วางแต่พวกข้าพเจ้าจักแสดงแยกกันธรรมชาติที่ชื่อว่าอวิชชาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าไม่รู้แจ้ง อีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าอาวิชาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าประสบคือได้เฉพาะซึ่งกายทุจริตเป็นต้นที่ตนไม่พึงประสบย่อมไม่ประสบกายสุจริตเป็นต้นที่ตนพึงประสบไม่กระทําสัจจะสี่เป็นต้นที่ตนพึงทราบให้ทราบชัดย่อมให้สัตว์เป็นไปในอวิชมานะบัญญัติหรือไม่ให้เราสัตว์เป็นไปในวิชมานะบัญญัติ คำว่าอาวิชานี้เป็นชื่อของทวามไม่รู้ในอริยสัจสี่และในสภาวธรรมสี่มีที่สุดเบื้องต้นเป็นอาทิอวิชานั่นเองเป็นปัจจัยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาวิชชาปัจจัยเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั้นจึงเกิดมีสังขารทั้งหลายที่ชื่อว่าสังขารเพราะอัตวิเคราะห์ว่าปรุงแต่งสังคต ธ, ธรรมได้แก่กุศ ล, ลกรรมและอกุศลกรรม สังขารเหล่านั้นมีสามอย่างคือปุญญาพิสังขารหนึ่งอปุญญาภิสังขารหนึ่งอเนนชาพิสังขารหนึ่งบรรดาสังขารสามอย่างนั้นกุศลจิตสิบสามดวงทั้งฝ่ายกามาวจรและฝ่ายรูปาวจรชื่อว่าปุญญาพิสังขารอกุศลลจิตสิองดวงชื่อว่าอปุญญาภิสังขารอรูปาวจรจิตสี่ดวงชื่อว่าอเนินชาพิสังขาร รวมความดังกล่าวมานี้จิตยี่สิบเก้าดวงเหล่านี้ชื่อว่าสังขารวิบากจิตว่าด้วยอำนาจปฏิสนธิการมีสิบเก้าดวงว่าด้วยอำนาจประวัติการมีสามสิบสองดวงชื่อว่าวิญญาณ น, นามและรูปชื่อว่านามรูปพึ่งเห็นความหมายว่าบรรดานามและรูปทั้งสองนั้น นามในที่นี้ได้แก่ขันสามีเวทนาขันเป็นต้นส่วนรูปได้แก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานมีสองอย่างโดยแยกเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปนามและรูปทั้งสองนั้นในที่นี้สอรคด้วยปฏิสนธิวิญญาณจิตในคำว่านามรูปปัจจยานี้บัณฑิตพึงทราบสรูเปเกษษสศาสสมาว่านามด้วยรูปด้วยนามและรูปด้วยชื่อว่า นา ม, มารูปอายตนะภายในหกมีจักรวาลยตนะเป็นต้นหรือแม้อายตนะภายนอกหกมีรูปายตนะเป็นต้นตามมาติของอาจารย์บางพวกชื่อว่าอายตนะอายตนะหกและอายตนะที่หกชื่อว่าสลายตนะผัสสะอันเกิดทางทวารหกด้วยอำนาจจักขุสัมผัสเป็นต้นชื่อว่าผัสสะ เวทนามีสามอย่างคือสุขเวทนาหนึ่งทุกเวทนาหนึ่งอทุกขมะสุขเวทนาหนึ่งตัณหามีสามอย่างคือกามตัณหาหนึ่งภาวะตัณหาหนึ่งวิภวะตัณหาหนึ่งแต่ว่าด้วยอำนาจอารมณ์หเป็นต้นตัณหาก็มีหนึ่งร้ยแปดประเภทอุปาทานมีสี่อย่างด้วยอำนาจกามุปาทานนะขันเป็นต้น ตัณหาและอุปาทานทั้งสองนั้นมีความต่างกันดังนี้คือก็ในบรรดาตัณหาและอุปาทานทั้งสองนี้ความทะยานอยากที่ไม่รุนแรงชื่อว่าตัณหาความทะยานอยากที่รุนแรงชื่อว่าอุปาทานอีกอย่างหนึ่งความปรารถนาถึงอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงชื่อว่าตัณหา เปรียบเสมือนพวกโจรเหยียดมือออกไปในที่มืดฉะนั้นการยึดอารมณ์ที่มาถึงแล้วชื่อว่าอุ ป, ปาทานเปรียบเสมือนพวกโจรถือของที่อยู่ในมือฉะนั้นธรรมชาติอันเป็นข้าศึกต่อความประหลาด น, น้อยชื่อว่าตันหาสภาวะที่เป็นข้าศึกต่อความสันโดษชื่อว่าอุ ป, ปาทานธรรมชาติที่มีทุกในการแสวงหาเป็นมูลชื่อว่าตันหา ธรรมชาติที่มีทุกข์ในการรักษาเป็นมูลชื่อว่าอุปาทานพบมีสองอย่างคือกรรมภพในวงเล็บหนึ่งอุ ป, ปัตติภพในวงเล็บหนึ่งในบรรดาภพทั้งสองอย่างนั้นภพที่หนึ่งชื่อว่าภพเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นแดนเกิดแห่งผล พนั้นมียี่สิบเก้าอย่างด้วยอำนาจการมาวาจรกุศลและการมาวาจร อ, อกุศลเป็นต้นส่วนพบที่สองชื่อว่าพบเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเกิดมีพบนั้นมีเก้าอย่างด้วยอำนาจการาพบเป็นต้นก็ในคำนี้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีพบดังนี้ท่านประสงค์เอาแม้อุปติพบ ในคำว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติท่านประสงค์เอาเฉพาะกรรมมพความจริงกรรมมาพบนั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่ชาติอุปัติภพนอกนี้หาเป็นได้ไม่ความจริงอุปัติพพซึ่งมีขันธ์ที่บังเกิดครั้งแรกเป็นสภาวะนั้นก็คือชาติก็ธรรมชาติกล่าวคืออุปัติภพนั้นนั่นแหละเป็นเหตุของอุปัติพนั้นหาควรไม่ การได้อัตภาพในคติ น, น, นั้นเป็นต้นแห่งเราสัตว์นั้ น, น, นชื่อว่าชาติอันหนึ่งภาวะแห่งอัตภาพที่บังเกิดแล้วอย่างนั้นคร่ำคร่าไปชื่อว่าชราที่สุดแห่งอัตภาพนั้นนั่นแหละที่กำหนดด้วยภพหนึ่งชื่อว่ามรณะความเร่าร้อนแห่งจิตของบุคคลผู้ถูกความพินาศแห่งญาติเป็นต้นถูกก้องชื่อว่าโสก ความบนเพอ้อทางวาจาแห่งบุคคลผู้ถูกความพินาศแห่งญาติาเป็นต้นถูกต้องแล้วนั่นแลชื่อว่าปริเทวะทุกขเวทนาที่เกิดทางกายชื่อว่าทุกขทุกขเวทนาที่เกิดทางใจชื่อว่าโทมนัสความขับแขนใจอย่างยิ่งที่ถูกทุกทางใจเหลือประมาณท่วมทับแห่งบุคคลผู้ถูกความพินาศแห่งญาติาเป็นต้นถูกต้องแล้วชื่อว่าอุปายาต ก็ในปฏิจจสมุ ป, ปาทนา이นี้บัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าท่านระบุถึงปัจจัยแต่และอย่างมีอวิชชาเป็นต้นแม้เมื่อปัจจัยอย่างอื่นมีวัตถุและอารมณ์เป็นต้นยังมีอยู่เพราะความเป็นปัจจัยที่เป็นประธานและเพราะเป็นปัจจัยที่ปรากฏชัดบัณฑิตพึงเห็นความเกิดมีแห่งปัจจยุ ป, ปนธธรรม ซึ่งเกิดมีปกติด้วยความเกิดมีแห่งปัจจยธรรมนั้นแห่งปัจจัการทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นเหล่านี้อย่างนี้ว่าก็ในบรรดาอาวิชชาเป็นต้นเหล่านี้สังขารทั้งหลายย่อมเกิดมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย เหตุสังขารทั้งหลายเป็นไปโดยความเป็นวิบากธรรมในสันดานที่อวิชชานอนแนบสนิทนั่นแลอนหนึ่งวิญญาณเป็นธรรมชาติอันสังขารให้เกิดแล้วย่อมดำรงอยู่ในภพอื่นเพราะเมื่อไม่มีสังขารอันเป็นสภาวะให้เกิดวิญญาณนั้นจะพึงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเกิดมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยอันหนึ่ง นามและรูปอันวิญญาณซึ่งเป็นธรรมชาตินำหน้าและเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งสาชาตธรรมทั้งหลายค้ำจุนแล้วย่อมดำรงอยู่ได้ในปฏิสนธิการและในภาวัติการเพราะเหตุนั้นนา ม, มารูปจึงเกิดมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอันหนึ่ง สลายตนะอันมีนามรูปเป็นที่อิงอาศัยนั่นแลย่อมเป็นไปตามความสมควรโดยความเป็นทวารแห่งพัสสะหกอย่างหาเป็นไปโดยประการอื่นไม่เพราะเหตุนั้นสลายตนะจึงเกิดมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอันหนึ่งพัสสะย่อมถูกต้องอารมณ์ในเพราะสลายตนะเกิดมีเท่านั้นเพราะ เมื่อทวารไม่มีผัสสนั้นจะพึงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนั้นผัสจึงเกิดมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเมื่อถูกต้องอิทธารมอนิทธารมและมัชตารมนั่นแหละย่อมเสวยเวทนาหาเสวยเวทนาโดยประการอื่นไม่เพราะเหตุนั้นเวทนาจึงเกิดมีเพราะผัสเป็นปัจจัยอันหนึง่ง ตัณหาอันมีเวทนาเป็นเหตุย่อมตั้งขึ้นแกสัตว์ผู้มักกามเห็นความพอใจในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเพราะเหตุนั้นตัณหาจึงเกิดมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอันหนึ่งเฉะพาะเหล่าสัตว์ผู้กระหายเพราะกิเลสเป็นอย่างเหนียวคือตัณหา ย่อมเป็นไปเพื่อความยึดมั่นคือความถือมั่นในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นความจริงเราสัตว์ชอบใจรูปารมณ์เป็นต้นด้วยตัณหาแล้วย่อมถึงความเป็นผู้ตกไปในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นตัณหาจึงเป็นปัจจัยแก่กามุปาทานอันหนึ่งสัตว์ผู้กำหนัดในประเภทแห่งอารมณ์ มีรูปารมณ์เป็นต้นย่อมยึดถือมิจฉาทิฐิโดยนิยาเป็นต้นว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมไม่มีผลดังนี้สาสตร์ผู้ต้องการจะพ้นจากสังสารวัตรย่อมยึดความถือในหนทางแห่งความไม่บริสุทธิ์ว่าเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์ และยึดถือวาทะและทิฏฐิทั้งสองของตนอันเป็นเครื่องยึดถือในขันทั้งหลายว่าเป็นตนและเนื่องด้วยตนเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นปัจจัยแม้แก่ทิฏฐุปาทานเป็นตน้นเพราะเหตุนั้นอุปาทานจึงเกิดมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย สัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงมั่นอยู่ในอุปาทานด้วยอำนาจสัมประโยคและอนุสัยนั่นแลย่อมเป็นไปเพื่อความสังสมกรรมตามสมควรเพราะเหตุนั้นอุปาทานจึงเป็นปัจจัยแก่ภพอันหนึ่งชาติกล่าวคืออุปัติภพมีกรรมภพเป็นเหตุนั่นแลย่อมหาได้แน่นอนในกรรมภพนั้นๆเหมือนหนอ่อหาได้จากพืชฉะนั้น เพราะเหตุนั้นพบจึงชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่ชาติอันหนึง่งเมื่อมีชาตินั่นเองชราและมรณะจึงเกิดมีเพราะว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่เกิดแล้วจะมีชราหรือมรณะไม่ได้เพราะเหตุนั้นชาติจึงเป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะข้อว่าเอวะเปโหติความว่ากองทุกขคือหมวดทุกทั้งหมด ได้แก่ไม่เจือด้วยสุขเป็นต้นหรือทั้งสิ้นนี้คือที่เรียกว่าวัตย์ย่อมมีความเกิดขึ้นคือความบังเกิดโดยในยตามที่กล่าวแล้วคือโดยวิธีสืบต่อกันมาแห่งปัจจัยแต่หามีความเกิดขึ้นคือความบังเกิดเพราะอิสระชนเนรมิตเป็นต้นไม่ส่วนความสุขและอารมณ์ที่สวยงามเป็นต้นหามีความเกิดขึ้นคือความบังเกิดไม่ ในที่นี้คือในอธิการว่าด้วยปัจจยสังคหะนี้ที่ชื่อว่าอัฐาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าไปคือไปติดต่อได้แก่เป็นไปเนืองๆ<ม>ได้แก่การอาวิชาและสังขารชื่อว่าอตีตตาเพราะความที่เหตุซึ่งนับเนื่องในอดีตภพนั่นเอง ท่านประสงค์เอาในอธิการว่าด้วยปฏิจจสมุปาท่านไหนนี้ก็ด้วยสภาวะอัตตาท่านระบุถึงเฉพาะธรรมมีอวิชชาเป็นต้นเท่านั้นเพราะการอะไรอะไรที่จะพ้นไปจากอาวิชชานั้นหาไม่ได้เลยความจริงบัณฑิตย่อมบัญญัติธรรมทั้งหลายเฉพาะที่ดับไปแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยอำนาจอดีตการและอนาคตกาล และย่อมบัญญัติธรรมทั้งหลายที่นับเนื่องในขณะสามมีอุปาทขณะเป็นต้นด้วยอำนาจปัจจุพันนการชาติชราและมรณนะชื่อว่าอนาคตตถาเพราะบังเกิดในอนาคตจากเหตุที่เป็นปัจจุบันข้อว่ามัชฌีอัตถปัจจุ ป, ปันโนอัตถาความว่าองค์แปดมีวิญญาณเป็นต้นในท่ามกลางชื่อว่าปัจจุปันนัทา เพราะความที่องค์เหล่านั้นเป็นผลที่บังเกิดในภพนี้จากอดีตเหตุและเพราะอนาคตผลมีเหตุในภพนี้เป็นสภาวะท่านพระอนรุธาาจารย์คำหนึ่งถึงคำทวงว่าแม้โสกะและปริเทวะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พึงตรัสไว้โดยความเป็นองค์นิเชื่อหรือ ดังนี้จึงกล่าวว่าโศกาธิวจันังดังนี้เป็นต้นอธิบายว่าคําว่าโศกาเป็นต้นเป็นการชี้ถึงเพียงผลที่ไม่ใช่ผลโดยตรงต่อผลแห่งชาติแต่หาเป็นการแสดงถึงองค์แผนหนึ่งไม่ข้อว่าตันหูปาธานภพวาปิกะหิตาโหนติความว่าท่านระบุถึงปัญหาและอุปาทาน ด้วยอวิชชาศั์เพราะมีสภาวะเป็นกิเลสเหมือนกันระบุถึงกรรมมภพด้วยสังขารศั์เพราะเป็นกรรมพภพเหมือนกันเชื่อมความว่าอัหนึ่งท่านระบุถึงอวิชชาและสังขารด้วยสับว่าตั้นหาอุปาทานและพบเหมือนกัน แม้ในคำว่าตถาเป็นต้นนี้ก็พึ่งเห็นการรวบรวมอวิชชาและสังขารเหล่านั้นโดยนัยะที่กล่าวแล้วคือโดยการระบุถึงกัญหาอุ ป, ปาทานและพบเหล่านั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์คำหนึ่งถึงว่าก็เฉพาะความเกิดความแก่และความแตกสลายแห่งวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนา พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าชาติชาราและมรณะดังนี้จึงกล่าวว่าชาติชาามรณะก้าหาเนนะดังนี้เป็นต้นบาคาถาว่าอาตีเตเหตโวปัญจะขวามว่าเหตุที่บังเกิดในอดีตภพอันเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผลคืออวิชชาและสังขารทั้งสองที่ท่านกล่าวไว้แล้วโดยสรุปและ ตันหาอุปาทานและภพทั้งสามที่ท่านกำหนดด้วยอานาจสังหะในมีห้าอย่างบาคาถาว่าอิทานิภราปัญจกังความว่าผลห้าอย่างมีวิญญาณเป็นต้นที่บังเกิดในปัจจุบันนี้เพราะมีอดีตเหตุเป็นปัจจัยบาคาถาว่าอิทานิเฮตะโวปัญจความว่าปัจจุบันเหตุซึ่งเป็นปัจจัยแกอนาคตผล คือเหตุทั้งสามมีตันหาเป็นต้นที่กล่าวโดยสรุปและอวิชชากับตงราะทั้งสอง 2, ที่ได้โดยสังขารในมีห้าอย่างบาคาถาว่าไยติงภละปัญจกังความว่าผลห้าอย่างมีวิญญาณเป็นต้นที่กล่าวแล้วด้วยศัพท์ว่าชาติชราและมรณนะซึ่งจะบังเกิดในอนาคต เพราะมีปัจจุบันเหตุเป็นปัจจัยอาการย่อมมี20อย่างด้วยประการชนิดคือด้วยอาการอย่างนี้ที่ชื่อว่าอาการเพราะอธวิเคราะห์ว่าถูกเรียรายอยู่ในภพนั้นนั้นมีอดีตภพเป็นต้นส่นที่มีสอย่างคือระหว่างอดีตเหตุกับปัจจุบันผล5อย่างจัดเป็นส่นที่อันหนึ่ง ระหว่างปัจจุบันผลหอย่างกับปัจจุบันเหตุจัดเป็นสนที่อันหนึ่งระหว่างปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลจัดเป็นสนที่อันหนึ่งสมจริงดังพระดํารัสที่ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าระหว่างสังขารกับวิญญาณจัดเป็นสนที่อันหนึ่งระหว่างเวทนากับตัญหาจัดเป็นสนที่อันหนึ่งระหว่างพบกับชาติจัดเป็นสนที่อันหนึ่ง ความจริงในบรรดาสนันธิทั้งสามนี้สันธิที่หนึ่งเป็นสภาวะที่เชื่อมเหตุกับผลให้เนื่องถึงกันโดยความที่ผลมีความเป็นไปไม่ขาดสายจากเหตุสันธิที่สามก็เหมือนกันส่วนสันธิที่สองเป็นสภาวะที่เชื่อมผลกับเหตุให้เนื่องถึงกันโดยความที่เหตุมีความเป็นไปไม่ขาดสายจากผล ความจริงทำแม้ที่เป็นตัวผลก็เป็นปัจจัยแก่ทำอย่างอื่นที่มีสภาวะเป็นเหตุแลที่ชื่อว่าสังเขปเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงย่อเหตุห้าอย่างมีอวิชชาเป็นต้นและผลห้าอย่างมีวิญญาณเป็นต้น สังเขปสี่อย่างคืออดีตเหตุหนึ่งปัจจุบันนผลหนึ่งปัจจุบันนเหตุหนึ่งอนาคตผลหนึ่ ง, งเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสังเขปสี่ในคําว่ากัมมะภวะสังขาโตะพระเวกเทโสนี้เจตนาที่เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตในอนาคตชื่อว่าภพเจตนาในกัมมะภพก่อนที่เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตในภพนี้พึงทราบว่าเป็นสังขาร บ่นว่าอาวะเสยสาความว่าธรรมที่ตรัสไว้ด้วยอำนาจปัจจุบันผลมีเจ็ดอย่างคือผลห้าอย่างมีวิญญาณเป็นต้นหนึ่งชาติหนึ่งชราและมรณะหนึ่งส่วนธรรมที่นับเนื่องในอนาคตพึงทราบว่าพบในคำว่าอุป ป, ปัตติภวะสังขาโตพระเวกเทโซด้วยสับว่าพบท่านพระอนุรุธทธาจายัย กล่าวสับว่าพระเวกเทสะเพราะจะกล่าวถึงแม้กรรมภพมอวิชชาเป็นมูลของที่สุดเบื้องต้นตันหาเป็นมูลของที่สุดเบื้องปลายเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุตตาจารย์จึงกล่าวว่าพึงทราบมูลสองอย่างคืออวิชชาและตันหาดังนี้ เพราะธรรมที่เป็นมูลแห่งวัตตะเหล่านั้นนั่นแลได้แก่กล่าวคืออวิชชาและตัญหาดับไปคือถึงความไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาได้แก่ความไม่เป็นไปซึ่งสำเร็จมาจากความรู้แจ้งสัจจะวัตตะจึงดับลงและเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะมีกามาสวะเป็นต้นอวิชชาจึงจเจริญขึ้นอีกแกเราสาัตว์ผู้ถูกความสยบ กล่าวคือชะราและมรณะบีบคั้นเนืองๆคือร่ำไปได้แก่ผู้เพียบพร้อมด้วยความโศกเป็นต้นสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะอาสวะเกิดขึ้นอวิชาจึงเกิดขึ้นดังนี้ด้วยพระดำรัสว่าอาสวะสมุทยาอาวิชาสมุทโยนี้ ย่อมเป็นอันทรงแสดงถึงปัจจัยแม้แห่งอวิชชาเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้จักคือปฏิจจสมุปบาทจะไม่พึงเนื่องถึงกันแลพระมหามมนีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคือทรงแต่งตั้งซึ่งวัดละอันเป็นไตรวัตรคือกิเลสหนึ่งกรรมหนึ่งวิบากหนึ่ง อันเกี่ยวเนื่องกันคืออันไม่ขาดสายอันหาเบื้องต้นไม่ได้คือเว้นจากเบื้องต้นชื่อว่าเป็นไปในไตรภูมิเพราะนับเนื่องในธรรมที่เป็นไปในไตรภูมิว่าปฏิจจสมุปบาทดังพรนานามาชนี้คือโดยนิยะดังที่กล่าวแล้วท่านพระอนุรุตตาจารย์ ครั้งแสดงปฏิจจสมุปปาทนัยโดยวิภาคอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงปัฏฐานนัยจึงกล่าวคําเป็นอาธิว่าเหตุปัจจัยดังนี้วิทีใช้ในคำว่าเหตุปัจจัยเป็นต้นนั้นดังต่อไปนี้ปัจจัยชื่อว่าเหตุเพราะอาธถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องก่อคือตั้งแห่งสภาวธรรมเพราะสัพบคือาธาตุมีอจเป็นอนเนกสับว่าหิในที่นี้ จึงพึงเห็นว่ามีอาจว่าตั้งอีกอย่างหนึ่งผลอันมีเหตุคือกรรมนั้นเป็นปัจจัยย่อมดำเนินคือไปได้แก่เป็นไปถึงความเจริญงอกงามด้วยปัจจัยอันเป็นเหตุคือกรรมนี้ดุดต้นไม้เจริญขึ้นไปได้ด้วยรากอันดื่มโอชะขึ้นไปข้างบนฉะนั้นเพราะเหตุนั้นปัจจัยอันเป็นเหตุคือกรรมนี้ จึงชื่อว่าเหตุวงเละเปิดเป็นเหตุดาําเนินแห่งผลวงเละปิดปัจจัยนั้นด้วยเป็นเครื่องก่อสภาวธรรมหรือเป็นเหตุดาําเนินแห่งผลด้วยท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าปัจจัยคือทําเป็นเครื่องอาศัยเป็นไปโดยเป็นเหตุเป็นตัวเหตุเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเหตุปัจจัยสภาวธรรมชื่อว่าเหตุเพราะอัิวิเคราะห์ว่าเป็นรากเงา ชื่อว่าปัจจัยเพราะอาจว่าเป็นอุปการะเพราะเหตุนั้นโดยสังเขปทำอันทําอุปการะด้วยอาจว่าเป็นรกากเงาชื่อว่าเป็นเหตุปัจจัยพึงเห็นรูปความว่าอันเหตุปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมหกประการวงเล็เปิดคือเหตุหกมีโลภะเหตุเป็นต้นวงเล็ปิดที่ทําอุปการะด้วยอาจว่าเป็นรากเ่ากล่าวคือเป็นเหตุให้สําเร็จความตั้งมั่นด้วยดี แก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานในประวัติขณะแก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานในปฏิสนธิขณะและแก่นามธรรมที่สัมปยุตในขณะทั้งสองดุดรากไม้ทําอุปการะแก่ต้นไม้ฉะนั้นดังนี้ธรรมชาติที่ชื่อว่าอารมณะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าอันจิตและเจตสิกน่วงเหนียวคือยึดถือ ดุดคนทุบพลภาพยึดถือไม้เท้าเป็นต้นฉะนั้นความจริงจิตและเจตสิกย่อมปรารธรบทำใดๆเป็นไปทมนั้นๆชื่อว่าเป็นอารมณะปัจจัยแก่ธรรมนั้นๆเพราะธรรมที่ไม่พึงถึงความเป็นอารมณะปัจจัยแก่จิตและเจตสิกไม่มีเลย